เพื่อนได้ทำไรเยี่ยก็ไปเก็บขี้เพื่อนแล้วเก็บเงินจากเพื่อนคนละพัน 2, สองพันสอดเลยว่าเพื่อนเป็นตำรวจนี่ก็เท่ดีนี่หวะ